ตอนที่ยีหหลิวเคอเครอรเริ่มอิจฉาแล้วความอิจฉาริษยาและความโกรธแค้นอัดแน่นอยู่เต็มอกโจโจี้เยี่ยถึงกับกินบะหมี่ในชาไม่ลงข้อนิ้วที่กำแน่นจนขาวซี่ทุยหญิงคนนี้ยังกล้าบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์กับเจิ้งอวินชงอีกหรือตอนนี้ถึงขั้นจะแต่งงานกันแล้วนี่นะหรือที่ว่าไม่มีอะไรกันเฮ่ช่างรวดเร็วกว่าใครเพื่อนจริงๆเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้โจเจี้เย่ยรู้สึกเหมือนสมองส่งเสียงวิง้งเรากับจะระเบิดออกมาการที่เขานอกใจกับการที่หลีจ ในสายตาเขามันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโจเจีนเ้นี่หน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงเขาสบถดา่าเชี่ยเบาๆก่อนจะวางตะเกียบแล้วเดินสะบัดหน้าจาัดไปเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้อฉันนึกออกแล้วผู้หญิงลูกติดที่แต่งงานใหม่นั่นไม่ใช่เมียเก่าของผู้พันโจรหรอกเหรอนายหมายความว่าเมียเก่าของผู้พันโจไปคบกับหัวหน้าของเขาเองน่ะเหรอทำไมจูจ่ๆฉันก็รู้สึกสกใจขึ้นเหมืเ น, นี่ย ทั้งสองคนซุบซิบ ก, กันอย่างประหลาดใจผู้พันโจนอกใจไปหาคุณนักข่าวหลิวส่วนเมียเก่าก็อย่าขาดอย่างเด็ดขาดแล้วหันไปแต่งงานกับคนฐานะสูงกว่าชีวิตแบบนี้มันช่าง น, น่าอิจฉาจริงๆอืมก็ประมาณนั้นแหละข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วทันเขตทหารส่วนใหญ่ล้วนแต่หัวเราะเยาะโจเจี้ยนเยี่ยไม่ว่าโจเจี้ยนเยี่ยจะอยู่ที่หอพักในโรงอาหารหรือตอนฝึกซ้อมเขาวล้วนสัมผัสได้ถึงสายตาล้อเลียนจากคนรอบข้างได้อย่างชัดเจน เขาไม่สามารถพุ่งเข้าไปทิ่มตาคนพวกนั้นให้บอดได้วันเวลาผ่านไปไม่กี่วันหลิวเคอเค่อรก็มาหาเขาอย่างกระทันหันไม่เจอกันเพียงไม่กี่วันเขาก็เกือบจะจำนางไม่ได้นางไม่มีความสดใสและมั่นใจเหมือนปกติดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าผิวพันซีเซียวจนเกือบขาวโพลนหลิวเคอเคอคว้าแขนโจเจียนเย่ยแล้วเขย่าด้วยความตื่นเต้นเจียนเย่ยพอแม่ฉันยอมให้เราแต่งงานกันแล้วคุณดีใจไหม ลิวเคอเคอยอมอดอาหารประท้วงจนในที่สุดพ่อแม่ก็ยอมตกลงนางจึงรีบวิ่งมาบอกข่าวดีนี้ให้เขาฟังเป็นคนแรกคุณวางใจเถอดสินสอดไม่ต้องให้สักหยวนเดียวฉันรักที่คุณเป็นคุณถึงจะไม่มีบ้านก็ไม่เป็นไรอนาคตเราสองคนช่วยกันพยายามทุกอย่างก็จะมีเองลิวเ ค, ร อ, คอร์เคออะไรยาวออกมาโดยไม่ทันสังเกตเห็นความดีใจบนใบหน้าของโจเจียนเ ย, ย่เลยเขามีเพียงใบหน้าที่นิ่งสนิทราวกับคนตายเคอเคอคุณแน่ใจนะว่าจะแต่งงานกับผม ตืมแน่นอนสิลิวเคอเคอกุมมือโจเจียนเย่ไวแน่นน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวฉันอยากจะแต่งงานกับคุณเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ้ําตกลงแต่งงานกันโจเจียนเย่คิดว่าหากรีบแต่งงานเสียตอนนี้ความรู้สึกอิจฉาที่หลีชิงพิงจะแต่งงานกับเจิ้งอวินชงอาจจะหายไปโจเจียนเย่รีบแจ้งข่าวการแต่งงานให้ทางบ้านทราบคนที่ยินดีที่สุดย่อมหนีไม่พ้นหนิวซูเฟินเพียงแต่หนิวซูเฟินกังวลเรื่องเงินเพราะเงินในบ้านถูกยกให้หลีชิงพิงไปหมดแล้วตอนนี้จึงไม่มีเงินเหลือเลยสักหยวนเดียว โจจี้ยี่รับรู้ถึงความลำบากใจของแม่ผ่านทางโทรศัพท์จึงพูดตรงๆว่าเคิรเคิรรู้ว่าฐานะทางบ้านเราธรรมดานางไม่เอาสินสอดไม่เอาอะไรเลยเรื่องเงินแม่ไม่ต้องห่วงถึงเวลาพวกแม่แค่มาทานข้าวก็พอเขาเตรียมจัดงานให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมานั่งทานข้าวด้วยกันถือว่าเป็นการตกลงเรื่องการแต่งงานนิวซูเฟินรู้สึกเหมือนได้ลาบลอยนางเอาแต่ชมว่าเคริรเคิรเป็นเด็กดีและรู้ความ นางบอกแล้วไงว่าสายตาของนางไม่มีทางาพลาดพอพลจากนางตัวซวยอย่างหลีชิงถิงชีวิตดีๆของครอบครัวนางก็กําลังจะมาถึงเตรียมเก็บข้าวของทั้งครอบครัวเข้าเมินไปจัดงานแต่งให้ลูกชายกันเถอะในเมื่อไม่มีบ้านย่อมไม่สามารถจัดงานแต่งในหอพักได้โจเยี้ยนเยียจึงนำเงินไปเช่าลานบ้านข้างนอกช่างบังเอิญเหลือเกินที่ลานบ้านที่เช่านั้นอยู่ติดกับลานบ้านที่หลีชิงผิงซื้อไว้พอดี โจเจียนเย่ยตัดสินใจเช่าลานบ้านหลังนี้ทันทีราวกับมีอะไรดนใจเขาอยากจะเห็นนักวิจลีรชิงผิงแต่งงานกับเจิ้งอวิ๋นชงแล้วจะมีชีวิตที่ดีแค่ไหนวันแต่งงานของหลิวเคอร์อเครอร์ถูกกำหนดไว้เป็นต้นเดือนหน้าเช่นกันซึ่งเป็นวันเดียวกับหลีวชิงผิงหลายวันที่ผ่านมานางมักจะมาทำความสะอาดและตกแต่งเรือนหอที่เชไว้เมือม่อมีเวลาว่างก่อนนี้นางไม่เคยเจะหลีวชิงผิงเลยแต่วันนี้นางกลับบังเอิญชนเข้ากับหลีวชิงผิงและเจิ้งอวิ๋นชงเข้าอย่างจัง หลีชิงพิงและหลีหวานสองแม่ลูกสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มสดใสพูดคุยหัวเราะกับเจิ้งอวินฉงดูเหมือนครอบครัวเดียวกันไม่มีผิดหลิวเคอเคอร์อเองก็ได้ยินข่าวเรื่องที่พวกเขาจะแต่งงานกันแล้วแต่ในตอนนี้ความยินดีที่จะได้แต่งงานกับโจเจี้ยนเยี่ยมีมากกว่าโอรองผู้พันเจิ้งยินดีด้วยนะคะเสียงประชดประชันของหลิวเคอเคอดังขึ้นรอยยิ้มบนมุมปากของหลีหวานชะงักลงทันทีนางรู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีทางหวังดีแน่ เมื่อไม่กี่วันก่อนเห็นโจจีน้นเย่หลีหวานก็พอจะเดาอะไรได้บ้างแล้วเห็นชัดว่าคนสองคนนี้ตั้งใจมาทำให้พวกนางขุนเคืองใจยินดีกับพวกคุณเช่นกันเมื่อเจิ้งอวินฉงหันไปพูดกับหลิวเคอเคอความอ่อนโยนที่เคยมีให้หลีชิงพิงก็หายไปทันทีน้ำเสียงของเขาดูทุ่มต่ำและเย็นชาขอบคุณค่ะหลิวเคอรเคอร์อหัวเราะเบาเสายตาจ้องมองถุงในมือของเจิ้งอวินฉงดูเหมือนจะเพิ่งไปห้างสรรพสินค้ามานี่คือการเตรียมซื้อของก่อนแต่งงานงั้นหรือช่างละโมบจริงๆ หลี่ชิงผิงคงคิดว่าตัวเองได้เกาะกิ่งไม้สูงแล้วจึงอยากจะกลายเป็นคนชั้นสูงและใช้เงินให้มากที่สุดทั้งสองคนไม่ได้แต่งงานกันเพราะความรักเลยสัตนิดเมื่อคิดได้เช่นนี้หลิวเคอเคอก็รู้สึกว่าการแต่งงานของนางกับโจเจียนเย่ยนั้นสูงส่งกว่ามากรองผู้พันเจิง้งฉันคิดว่าจำเป็นต้องเตือนคุณด้วยความหวังดีสักหน่อยเกรงว่าคุณจะถูกหลอกใช้เป็นกระเป๋าสตางโดยไม่รู้ตัวหลิวเคอเคอเลิกคิวแล้วพูดต่อของในห้างสรรพสินค้านะราคาไม่ถูกเลยนะหลี่ชิงผิง เมื่อก่อนคุณไม่เคยแม้แต่จะย่างกรายเข้าห้างสรรพสินค้าเลยไม่ใช่เหรอตาตายจริงดูเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่สิดต่อให้สวมชุดมงกุฎก็ดูไม่เหมือนองราชทาย่าเสื้อผ้าชุดนี้ไม่เข้ากับคุณเลยสักนิดคนที่ไม่รู้คงนึกว่าคุณไปขโมยของใครเข้ามาใส่เสียอีไม่สวยตรงไหนกันหลิวหวานกลับรู้สึกว่าเสื้อผ้าชุดนี้ของแม่นางสวยมากส่งเสริมให้แม่ดูอ่อนโยนและสง่างามหลิวเคริรเค่อ์ก็แค่คนขี้อิจฉาเท่านั้นเองลีชิงพิงโตกลับอย่างไม่ยอมแพ้ ก็พราะไม่เคยไปห้างสรรพสินค้าไงละ่ะถึงต้องเข้าไปเดินดูเสียหน่อยหลีหวานพืชคําออกมาเห็นชัดว่าแม่ของนางไม่ได้จับประเด็นสําคัญวันนี้คุณอาเจิ้ไม่ได้พาเราไปซื้อแค่เสื้อผ้าสองชุดนี้นะคะแต่ยังซื้อสร้อยคอทองคําให้แม่หนูด้วยเมื่อหลีหวานพูดจบหลิวเคอเคอจึงสังเกตเห็นสร้อยคอทองคําที่คอของหลีชิงผิงมันส่องประกายระยิบระยับและดูมีน้ําหนักไม่น้อยเลยหลิวเคอเคอร์อกำมัดแน่นแววตาฉายแววอิจฉา ไม่ใช่ทุกอย่างจะซื้อได้ด้วยเงินความรักจะคงอยู่ไปตลอดชีวิตแต่เงินนั้นมีวันใช้หมดใช่หลิวหวนนพยักหน้าอย่างครุ่นคิดคําพูดนี้ของคุณถูกแป้เลยแต่ยังมีอีกประโยคหนึ่งนะคือรักแท้นั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นโจเจียเย้ยนเยอมหย่กับแม่หนูเพื่อคุณได้แล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะไม่ใหญ่กับคุณเพื่อไปหาคนอื่นสิ่งเดียวที่หลิวเคอเค อ, เคอสามารถนํามาโออวดได้ก็คือความรักเมื่อหลิวหวนปฏิเสธความรักของนาง นางจึงเริ่มทนไม่ได้เห็นชัดๆว่าแม่ของแกเป็นฝ่ายนอกใจก่อนหลิวเคอเคอตะโกนสุดเสียงอะไรกันคำพูดพวกนี้คุณเอาไว้หลอกคนนอกไม่ใช่เหรอนี่หลอกไปหลอกมาจะหลอกตัวเองเชื่อไปด้วยแล้วเหรอเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายผิดหลิวเคอเคอร์อยอมรู้ดีแก่ใจนางเอาแต่ตามตื้อตามอ่อยโจจีน้นียตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังไม่อยากกันเสียด้วยซ้า